โดยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นเจริญก้ า, าวไกลชากิเปเรื่องให้ประเทืองและงามวิรันดิ์อาาไม้พระปานำไปขอตั้งใจอาสาเกษบาลโวยรับงานมากมายหลายด้นานเจ็บหรือตายหุนวายใหญ่บ้านเกษบาลต้องรับแจ้ง เพื่อนครนิวัฒนาเป็นาคนกลลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตาลองแหนชีวตความที่มีประชาธิปไตย่วมพลัให้จำัใจด้วยการรับใช้กันไปนแ่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งท่านิสุสัทั่วไป เทส บ, บานก็คือเรามี่ช่วยสัมพั์เทศ บ, บาลนี้จึงสมคัญรวมประสานคอยรวมมือ สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจะเดินก้าลายชาติเปเรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณาไม่พระปานําไปขอตั้งใจอ า, าสาเสบาน่วยรับงานมากมายไร้ด่านเจ็บหรือตายหุ่นไวยใหญ่ยยบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเฝ้าทำการที่ทํางานเพราะไป เพื่อนครนิวัฒ น, นาเป็นคนตาคนไกลไงเทศบาลคือบนไดาของการปกครองตามกลองแห่งชีวีความที่มีประชาธิปไตยเพื่อประังพลละมังให้จำบังใจด้วยการรับใช้กันไปเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งทานินสุดสรรรันทั่วกกล บ้านก็คือเราไม่ช่วยสำคัญเทศบาลนี้จึงสำคัญรวมประสานคอยรวมมือแห่งประเทศศิลอาีิลังสตรถ ด, ดีเมืองพระศรีพนมมากแหล่งไม้กว่าตองกงดยหอมแดงเรื่องชื่อนามระบือตำนานเมืองแม่ๆมวิสัยทัศน์ของเทศบาล ศรีพนมมาตรคือศูนย์กลางแห่งอาระยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความอุดมสมบูรณ์ของเมืองละแวกที่ไม่มีวันสิ้นสู์สลายสวัสดีครับคุณนุ่งฝั่งกลับพบกับรายการเสียงตามซ้ายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพนมมาตรเมืองละแวกครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่14กันยายนพุทธศักราช2565 หลังจากแจ้งรายการเราท่านจะได้พบกับรายการสาระน่ารู้ 17.30 นาทีจะเป็นรายการข่าวสารข่าวฝากต่างๆขอ ง, ขอ ง, ของทางราชการและบทเพลงตามคำขอเชิญรับฟังรายการของเราได้ตามลำดับครับ จริงแท้ปากกวานจริงแม่ลและแปลโอแม่เมืองไกลลงค่อยลงแม่สาวงามอุตรดิต์คิดค่อยคิดว่าคงได้กลับไปหน้าแอวสาวชาวสวนคุณบ้านไกลปากเหนือเมืองไทยไกลไกลก็ไปก็ฟัน เพียงครั้งเดียวมี่ได้เที่ยวกับ น, อน้องเพียงแต่มองสายตาเพียงหาวันเพียงครั้งเดียวมี่ได้เกี้ยวแจมจันเก็บเอามาเพื่อฟันทุกวันบอกกินบอนอนจากแม่สาวชาวเมืองอุตรดิต เก็บมาคีดเพราะหากเจ้าคัดแม่เบา ก, กลับถึงกรุงที่กลัดลุ่มอาวรนพอแลลาบดอกรอคงย้อนกลับเมืองลักแล นนนจากแม่สาวชาวเมืองอูตรดินเก็บมาขีดเพราะหากเจ้าคักแม่บ อ, อนกลับถึงครุงที่กลัดลุมอาวอนก๋แลลาบดอกร่อนคงย้อนกลับเมืองลับแน่ ใน สวัสดีครับคุณนุ่ฟังสวัสดีวันพุทธที่14กันยายนครับแป๊บแปมาจากกลางเดือนกันยายนแล้วคุณนุ่งฟังแม่วันนี้เป็นไงครับตอนเย็นแบบนี้แดดดีดีคุณนุ่งฟังร้อนจัดทีเดียวคุณนุ่ฟังครับเรื่องของฝนของฟ้าก็เปาะเะแปะ๊ๆพอให้ถนนเปียกเป็นหย่อมหยมคุณนุ่งฟังก็ไม่ได้ลงมาหนักหนาครับตามที่พยากรณ์อากาศแจ้ง ก, ก็ก็โอเคนะครับคุณนุ่ฟัง ทำไมอย่างนั้นนี่โอ้โหจะเปียกจะแะกันขนาดไหนตากพงตากผ้าคงไม่แห้งกันบ้างหรอคุณผู้ฟังวันนี้ครับ14กันยายนนะครับก็ถือว่าเป็น1วันครับเกี่ยวกับเรื่องของคนละครึ่งนะครับหากท่านใดยังไม่ได้เปิดใช้สิทธิ์คนละครึ่ง ภายใน5้าทุ่มวันนี้ท่านจะเสียสิทธิ์นะครับท่านจะเสียสิทธ์ฉะนั้นวันนี้ครับตอนนี้ก่อน5้าทุ่มหาทางใช้ให้ได้ครับสําหรับคนที่ได้สิทธิ์นะครับสำหรับคนที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟด5ใช้กี่บาทก็ได้ครับขอให้มีการใช้งาน10บาท5บาท20บาท100 200 ได้หมดครับวันนี้หลังจากนั้นจะไม่ใช้งานหรือว่าทิ้งไปสักอาทิตย์ส อ, อาทิตย์ค่อยใช้ก็ไม่ว่ากันแต่ท่านต้องรักษาสิทธิ์โดยการใช้งานภายในวันนี้5ทุ่มไม่อย่างนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะครับสำหรับคนละครึ่งก็เสียดายครับรัฐบาลช่วย800บาทถ้าไม่เปิดใช้งานวันนี้ เสียสิทธ์800ไปแล้วแต่ถ้าใช้เปิดใช้กี่บาทก็ได้นะครับวันนี้เปิดใช้กี่บาทก็ได้ก็ให้มีการเปิดใช้ก่อน5ทุ่มวันนี้นะครับก็ขอแจ้งไปยังท่านที่ได้รับสิทธ์คนละครึ่งครับเกาะไทยยังหรือว่าเออยังไม่ได้ใช้งานวันนี้ใช้ก่อน5ทุ่มนะครับก่อนที่จะถูกตัดสิทธ์คนละครึ่งครับ หลังควายมาโดนต่อไม้เมื่อได้ยินคำพูดของอายบอกว่าเลิกกันพอาานถือคอนตอกซิวตอกใจเจ็บจนสถทานทุ่มเทกับอายมานานเหลือแต่ความว่างกลาากลายมาเป็นแฟนเก่า เพียงชูามคือปาดน้ําตาปนเสียงสะอื้นนำกอดความเงาย้อนบุญขอน้องบอบพอจึงพบกับความปวดราวหลีกทางให้อายกับเขาน้องสิใสเกียถอย ไหย่อยแม่นานก็คงเลือดายแต่ใจที่รักอายไม่มีวันลืมได้ห้อก mm hmm. ให้อายกับเขารักกันผูกพันมั่นคงจะขอใช้คำว่าปล่อยเยียวยาแผลใจตัวเอง ัตกหลังควายมาโดนต่อไม้ยันโชคดีที่ไม่ถึงตายแต่ใจพิการอย่าขอร้องอายใดบอกอย่าควงเขามาเย้ยกันสงสารคนใจพิการจะประอักความเจ็บจนตาย แต่ใจที่รักไอ้ไม่มีวันลืมได้หรให้อ้กับเค้รักกันผูกพันมันขอจะขอใช้คำว่าปลงเยียวยาแพลใจตัวเองเหมือนพระตกหลังคาย มาโดนต่อมาเองยังโชคดีที่ไม่ถึงตายแต่ใจพิการอย่าขอร้องอายได้บอกอย่าควงเขามาเย้กันสงสารคนใจพิการจะกระอักความเจ็บจนตาย สงสารคนใจพิการจะกระอักความเจ็บจนตาย เระน้า ร, รู้วันนี้ครับคุณผู้ฟังผมหยิบเอาเรื่องราสมุนไพรามาฝ่ากแล้วครับ<ม>เรื่องของกระเทียมกระเทียมนี่มาบ่อยนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายประโยชน์หลายแง่มูลที่มาเล่าสู่กันฟังซึ่งวันนี้ประโยชน์ของกระเทียมของกระเทียมก็มีทั้งแก้ปัญหาผมหลุดร่วงครับซึ่งบางคนก็มีปัญหาครับผ่านการทําสีผมทําเคมีต่างๆดัดย้อมหรือว่ายืด กระเทียมครับช่วยยับยั้งปัญหาเหล่านี้ได้ครับเพียงแค่ฝานกระเทียมเป็นชิ้นบางๆ น, นํามานวดศีรษะหรือจะผสมลงในออยแล้วก็ น, นํามานวดศีรษะก็ได้เช่นกันเพราะในกระเทียมมีสารที่มีประสิทธิภาพในการลดปัญหาผมหลุดร่วงได้นั่นเองรักษาสิวครับกระเทียมถือว่าเป็นยารักษาสิวจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเพราะมีแอนตี้ออกซิเดนซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อยู่หมัด เราจึงสามารถนำมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้โดยฝานกระเทียมสดบางๆและนำมาประครบลงบนสิวเบาๆทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเท่านี้สิวกวนใจก็จะอันตรทานหายไปอย่างแน่นอนบรรเทาอาการอักเสบจากโรคสะเก็ดเงินครับเมื่อกระเทียมมีริสต้านการอักเสบดังนั้นจึงช่วยบรรเทาอาการอักเสบจากผื่นแดงได้ดี โดยเฉพาะผื่นแดงที่เกิดจากโรคสะเก็ดเงินให้ทาน้ำมันกระเทียมบริเวณที่เป็นแผลเพื่อให้สะเก็ดหลุดไปและลดผื่นแดงบนผิวหนังก็ได้ครับเสียนที่ตําเท้าครับหรือว่ามือเราที่เวลาไปโดนแล้วมันจะเจ็บแป๊บๆครับสามารถกาจัดได้ง่ายๆด้วยการแปะกระเทียมฝานบางๆแล้วคันทับด้วยผ้าพันแผล วิธีนี้เป็นวิธีธรรมชาติที่ใช้กันมายาวนานครับแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ได้ผลจริงด้วยไล่ยุงและมแมลงสัตว์กัดต่อยครับแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะยังไม่ฟันธงว่ากระเทียมสามารถไล่ยุงและมแมลงได้แต่ก็มีผลการวิจัยจากประเทศอินเดียครับที่พบว่าคนที่ทากระเทียมลงบนแขนขาจะโดนยุงและมแมลงสัตว์กัดต่อยทุกชนิดรบกวนน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ทา เขาก็เลยแนะนําให้ทำทาทำยากันยุงง่ายๆครับดยการผสมน้ํามันกระเทียมปิตโตรเลียมเจลแล้วก็ขี้ผึ้งเข้าด้วยกันหรือจะทากระเทียมสดๆลงบนแขนขาเพื่อป้องกันยุงก็แล้วแต่สะดวกครับเห็นไหมครับว่ากระเทียมมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับใครที่ชอบเขียดกระเทียมไว้ข้างจานเพราะทนกลิ่นไม่ไหวก็ต้องกลั้นใจหายใจแล้วก็หลับตากลืนเครื่องเทศมีประโยชน์แบบนี้ เข้าไปนะครับก็เป็นสาระน่ารู้ครับที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ อกหมายห่าจากความจำสิ่งเคยทำขอไม่ทำห้ามใจว่า ทุกผีเขาสิงกายก็เพียงแค่เธอหันมาเพียงตาสบตารู้ไหมหัวใจก็คล้ายโดนสะกดให้มันดุบเป็นเธอมีมนต์ดำหรือถึงทำให้เพอใจลอยคอยเธอทั้งเช้าเย็นอยากเจอหน้าเธอเหลือเกิน ที่ไม่ได้เห็นฉันทำอะไรไม่เป็นเพราะใจมันเฝ้าแต่รอเกิดเป็นรั ก, รกแรกเจอเธอจะรู้ตัวไหมล่ะ น, นอก่ไปรักจนเต็มอุรร หลงรักจนงมงายเธอมีมนตราเรียนวิชามาหรือเปล่าทำไมใจเราดังโดนราดน้ำมันคลายปล่อยเลยตามเลยแล้วกันไม่หาอาจารย์มาช่วยคลายฉันยอมถวายชีวตนี้เป็นทาดุมนคนดี จะรู้ตัวไหมล่ะนอนก็อไปรักจนเต็มอุราดนมนคาถาให้หลงรักจนงมงายเธอมีมนตราเพียรวิชามาหรือเปล่าทำาไมใจเราดังโดนรัดน้ำมันคลายปล่อยเลยตาม ช่วยคลายฉันยอมถวายชีวีนี้เป็นธาตุมนคนดี เข้าสู่ช่วงที่2ครับมีข่าวฝากมาจากที่ว่าการอำเภอละแนะครับในเรื่องของประกาศเกี่ยวกับแบบสอดอ38ครับอเภอละแรครับได้จัดทำประกาศแบบสอดอ38เพื่อแจ้งให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายครับเกิดปีพรศกาพุนห้ราร้อยสซึ่งมีอายุถึงกำหนด ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497ตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปภายในปี2565นห้าหณหน่วยสัสดีอำเภอลับแลที่ว่าการอำเภอลับแลชั้นสองรับซึ่งหลักฐานก็ต้องมีสำเนาบัตรขอไครับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงที่มีชื่อผู้แสดงตนลงบัญชี บิดามารดาหรือผู้ปกครองบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงสูติบัตรถ้ามีฉบับจริงใบยาพร้อมบันทึกการยากรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนยาใบบารณบัตรกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิตแล้วหลกักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นใบเปลี่ยนชื่อนะครับซึ่งในเขตของเรานั้นก็มี รายชื่อของนายสอบอมฮันนายทศธรรมพิทยพงศ์นายนาบุญใจอ่อนนายขวัญชัยสืบสุ่มนายวรศักดิ์ทองเลิศนายพีคระคำพีระนายพระสินเสวภาและนายวีรพัตเอื้อมมงคลนะครับ ต้าตองน้องที่ประกาศไปเมื่อสักครู่ไปรายงานตัวแล้วต้องขอใครด้วยอพอดีเขาส่งรายชื่อมาตามนี้นะครับก็สามารถไปรายงานตัวนะครับที่ศา ส, สดีอำเภอรับแลได้หมดเขตก็นอนละครับ3 0บธันวาคม2565นยิะครับก็ยังเหลือเวลาอีก3เดือน 3-4 เดือน รายงานตัวกันได้ที่สสดีอำเภอรับแลกนะครับก็เป็นข่าวฝากมาจากที่ว่าการอำเภอลับแปลครับ ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้กับใครไปเรื่อไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการรอคอยให้เธอเห็นใจแต่ที่ทำเฉยเฉไม่เอ่ยไม่พูดอะไรเพราะจริงยังไงเธอก็เลื่อนก็ไหลอยู่ดีร้องไห้ก็แล้วตำก็แล้ว เธอยังไปต่อไม่เคยจะพอเหมือนจุดอิ่มตัวของเธอไม่มีจึงได้แต่ภาวนาให้เธอเห็นค่าความดีที่ไม่ยอมนี้เพราะยังมีหวังในใจเมื่อเธอพอ ฉันจะรออยู่ตรงนี้ลองให้เต็มที่ไปมีคนนอนคนนี้ตามสบายเมื่อเธอพอ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจแต่หากมีสักนิด ฉันรอแบบกลอน้ำตาไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้ลับหลังอยู่เรอไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่เพราะรักเธอจึงยอมเรื่อยมาถ้าหากเธอเห็นใจก็อยากให้เธอรู้ว่าฉันเสียน้ำตา เพราะเธอไม่พอสักทีเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ลองให้เต็มที่ไปมีคนนอนคนนี้ตามสบาย เมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจแต่หากมีสักนิดที่เธอจะคิดขึ้นได้ให้รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบลอน้ำตาไม่ใช่ไม่รู้ ว่าเธอเจ้าชู้ลับหลังอยู่เลยไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่เพราะรักเธอจึงยอมเรื่อยมาหากเธอจะใจร้ายไลยใจไม่ยอมเลิกราฉันก็ไม่ว่าเมื่อเธอพอจะรออยู่ตรงนี้ ที่จะเจ้าชู้กับใครไปเรื่อยฉันเองก็เหนื่อยที่ต้องหลบซ่อนสุกซนหัวใจอยามเห็นน้ำตาเธอมันจุกลึกลึกข้างในจากวันนี้ไปจะอยู่ในโอวาทคนดีเพราะที่สุดแล้วเธอคือยอดยิงที่ใจใสยบ ไม่เคยจะคบกับใครจริงจังเหมือนเธอไ ม, ม่มีมีบ้างบางเวลาที่ความเหงาไม่ปราณี mm hmm. เผลอทำไม้ดีแต่ไม่เคยคิดนี้เธอไป อยู่ตรงนี้จะเป็นคนดีสมกับที่เธอรักฉันมากมาพอฉันพอเพราะรู้เธอรออยู่ตรงนี้รู้ตัวเองดีว่ามีแต่เธอที่รักจริงใจคนอื่นที่เข้ามาคิดหาทางเอาแต่ได้ ขอโทษจากใจที่ทำให้มีน้ำตาไม่ได้ตั้งใจที่จะเจ้าชู้กับใครไปเรื่อยรู้ว่าเธอเหนื่อยจะรีบกลับบ้านให้ตรงเวลาจะสื่อสั้์กับเธอเลิกไปเล่นหูเล่นตาแต่ถ้าเพลิขึ้นมาหวังว่าเธอคง พอแล้วพ่อเพราะรู้เธอรออยู่ตรงนี้จะเป็นคนดีสมกับที่เธอรักฉันมากมา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 ที่จะเจ้าชู้กับใครไปเรื่อยรู้ว่าเธอเหนื่อยจะรีบกลับบ้านให้ตรงเวลาจะเสือสัตว์กับเธอเลิกไปเล่นหูเล่นตาแต่ถ้าเพ้อขึ้นมาหวังว่าเธอคงเข้าใจ มากันที่พยากรณ์อากาศครับภาคเหนือครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยพิจิตรพิษนุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตำสุด2 3่4สองศาอุณหภูมิมสูงสุด 31-34 อถึงองศาครับก็เป็นพยากรณ์อากาศภาคเหนือนะครับ ถึง17นริกาวันพรุ่งนี้ 60% มีอุตรดิต์รวมอยู่ด้วยต้องรู้อีกแล้วว่าจะตกมาขนาดไหนครับ ยังข้าวเป่าเยอะข้าลับไม่เคยเต็มตาไปโ้มทมในอุราข้าวตาข้ากินไม่ได้เสียงลือกับพือต่อเองหายข้อคอขามาแกไขาภาพลับหน้าตาวิบว่ากับเขาง่ายง่า เสี่ยงข้าวเป่าซ้ำข้าทุก ข, ข้าช้ำปางตาอยากเชือดเนื้อให้สิ้นกายอยากตายภายในค่ำคืนแทนการสถทานส่วงลวงโลกหลอกหลอนโยนโยย้ายใจไหลลือ เ็นสร้างเรื่องเศราานมเท้าหานาตอนกลางคืนลอก้าแหกตาคนตื่เป็นสุขในคืนรลอบลวงเสียงลือดังก้องตัวเ้าต้องร้องไห้วจากการโกหกคำโตโอ้หสวันพันรวง เสียงข้าสะอื่นเสียงเองระเรื่นชื่นสัวทางรักหูทะลุดวงอาช้ำสัวดวงต้องดี You saw. แปงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี่ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างสิบสีห้างหรือ้าสีห้างสิจับมือกันอย่างว่าสันว่าหัวใจสวยน้องบ่หัวซาบัดสิว่าเข้าไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ทิ่นกา Say w h t h a n c y o o พังลงยาวยาวย้อนผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเสบอกคิดบอกฝันว่าฮักสีห่างสีเพสะเลเตดอกมีไรกลิ่นหอมเห็นจังใดหัวใจบอพร้อมหรือต้องยอมฮับความเป็นจริงอีหลีให้ซาเดาให้ตายมือนีให้คนที่ลืมสัญญาใส่วาสีบอ s a t n ล a h a n s you t b a n h a n k y g ตลอดไป o t บิมีความทรงจำดีดีมีความสุขที่ได้ได้จงบอกใครๆว่านี่คือแผ่นดินนี้ t h a n d t h y o t บางทีก็เหน็บหนาวบางครั้งก็ปวดร้าแต่เราไม่ทอพอยืนสู้เพื่อวันใหม่วันที่ใคมาถึงคือวันสดใสผู้คนุ่มหมาสในคุณทนได้ไทยแลนไทยแลนไทย